กับมุชากูบาอาจารย์นางถลงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกับกาบคารวะหลวงพ่อกลมพระเทระพันเตเพื่อนสาธรรมิกและขอเจริญในธรรมมาอย่างแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งตามปกติ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2556นะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ตัวกระผมนิสตามาได้มีโอกาสนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการที่เรามาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโต <c oughs> ก็เป็นครั้งที่สาม นะเมื่อดูวันเวลานะเราก็จะเห็นว่าเวลานี้ผ่านไปรวดเร็วนะตอนนี้ก็เข้ามาที่ที่สามหลังจากที่เราเข้าพรรษานะในส่วนของพระที่บทใหม่นะก็มีความตั้งใจนะที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมนะในกลุ่มของผู้ที่มา อยู่จำพรรษาที่เป็นญาติโยมก็เช่นเดียวกันหรือแม้แต่กลุ่มปฏิบัติที่มาเป็นครั้งคราวเจนว่าสิ่งที่มันผ่านแล้วผ่านเลยมันเรียกเอากลับมาไม่ได้ก็คือเวลาเวลาเนี่ยผ่านแล้วผ่านเลยเขาบอกเวลาเนี่ยเกินกินสัมปัสัดและก็ตัวมันเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ ถ้าเรามาพิจารณาให้คลัวนนะก็จะเห็นว่าวันเวลาผ่านไปนะชีวิตของเราเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เป็นคุณค่านะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองกับชุมชนสังคมที่อยู่กับโลกนะเพียงพอหรือยังนะนี้ก็น่าพิจารณาให้คลัวนอกจากนั้นในเรื่องของเวลาก็คือชีวิต นะชีวิตของเราก็ผ่านไปในแต่ละวันในแต่ละคืนเราไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้นะก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องระลึกนึกถึงอยู่เหมือนกันนะว่าชีวิตที่ผ่านไปนะของเรานั้นเราได้ใช้ชีวิตนะให้คุ้มค่านะกับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ตัวกระผมนิยตามาเองมีความรู้สึก ในส่วนตัวนะว่าเป็นคนโชคดีนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะแล้วก็ได้มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนานะได้มาใช้ชีวิตนะที่วัดป่าสุกโตนะได้เรียนรู้ความจริงนะของชีวิตนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยน้อยคนนักนะที่จะมีโอกาสนะถือว่า ทุกท่านที่มาที่นี่ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะถือว่าเป็นคนที่มีโชคนะมีลาบนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนาและก็ได้มีโอกาสมาศึกษาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าว่าไปแล้วในประเทศไทยเราก็ดีในโลกก็ดีมันมีมากมายหลายวิธนะีซึ่งเราสามารถที่จะเลือก นะที่จะเอาวิธีไหนที่เหมาะกับตัวเราเองได้นะแต่ไหนๆเมื่อเรามีโอกาสนะมาที่วัดผาสุกโตนะเราก็พยายามเรียนรู้นะในสิ่งที่ที่นีนะ่ได้นำเสนอนะก็คือการเจริญสตินะด้วยการเคลื่อนไหวตนะามที่หลวงพ่อเทียนได้นำเสนอไว้นะ นะตั้งแต่เมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะตั้งแต่ท่านเข้าใจธรรมะนะตั้งแต่ปี 2,500 นหะปีนี้ก็2556นหะก็ถือว่าวิธีการนี้ได้มีการเผยแผ่มาเนี่ยก็เรียกว่าครึ่งศตวรรษเรียกว่าเข้าครึ่งศตวรรษทีเดียว50กว่าปนะีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย เราคงไม่ต้องไปเสียเวลานะในการที่เราจะไปค้นหาด้วยตัวเราเองหรือว่าจะไปลองผิดลองถูกนะในวิธีนั้นวิธีนี้นะประนันตรงนี้เมื่อเรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราก็น่าที่จะได้ลองนะปฏิบัติลงไปเลยนะไม่ต้องไปเสียเวลานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านได้ชี้ตรงประเด็นลงไปเลย นะการเจริญสติเนี่ยนะเรียนรู้ลงไปตรงๆที่กายที่ใจของเรานี่แหละนะไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้ไม่ต้องอ่านตำราก็ได้อ่านไปที่กายที่ใจของเราเนี่ยเป็นตำราเล่มใหญ่เป็นหนังสือเล่มใหญ่นะที่ใจะให้เราเรียนรู้ในการศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนนะมาก็อาจจะมีความคาดหวังนะว่าการมาปฏิบัติธรรมนะนะ่าจะทําให้จิตใจเราสงบ นะทําให้จิตใจเรานิ่งนะทําให้จิตใจเราสบายนะแต่พอมาทําจริงๆเขา้ามันไม่นิ่งมันไม่สงบนะมาวันแรกนี่ก็ง่วงหลับง่วงนอนเลยเนะบือ่อฟุ้งซ่านนะมันอะไรกันแนนะ่บางทีบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยเราหนีทุกเราหนีจากทุกในเมืองนะมาอยู่ในวัดคิดว่ามันจะสงบที่ไหนได้โอ้มันก็ไม่สงบนะ มันยิ่งฟุ้งซ่านไปใหญ่เลยนะบางทีก็ง่วงหลับง่วงนอนถ้าจะไม่ถูกละมัง้งอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็อาจจะสําหรับคนใหม่นะหรือแม้แต่คนเก่าก็ตามนะบางทีถ้ามีความคิดอย่างนี้เนี่ยนะอย่าพึ่งท้อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะภายในจิตใจของเรานะเป็นหนังสือล เ, ลเล่มใหญ่เป็นตาราเล่มใหญ่ หนะ้าที่แสดงตัวออกมาให้เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นอย่าไปทอ้อหรือย่าไปปฏิเสธนะหรืออย่าไปถอยหนีนะบางคนเนี่ยพอเจอแบบนี้ปุ๊บไม่เอาละไปหาวิธีการอื่นดีกว่าเนาะไปนั่งนิ่งๆสงบสงบนะพยายามกดข่มความคิดไม่มันคิดนะคิดว่าการเจริญสติ <c oughs> การปฏิบัติธรรมคือการไม่คิดนะอันนั้นไม่ใช่นะ จริงๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนเคยพูดไว้ชัดนะยิ่งคิดถ้าเรามีความรู้สึกตัวมันก็ยิ่งรู้นะมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันม า, าให้เราได้เรียนรู้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จใจเราหลบหลีกนะม่หรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราท้อถอยนะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงนะที่เขาแสดงตัวออกมาชีวิตส่วนใหญ่ของเรานะที่อยู่ในเมืองก็ดีหรือชีวิตที่ผ่านมาก็ดี ส่วนใหญ่เราก็ไขว่คว้าหาความสุขความสุขสมอยากนะความสงบนะเรียกว่าสุขสงบนะพอเรามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสตินะมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะโอ้โหมันเบื่อจริงๆทำซ้ำแล้วซ้าอีกอยู่นั่นแหละนะไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะความฟุ้งซ่านนี่แต่ก่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะฟุ้งซ่านไม่เคยเห็นมันฟุ้งซ่านขนาดนี้เลย พอมาทำเอ๊ะทำไมมันฟุ้งซ่านจังเลยทำถูกหรือเปล่าเนี่ยนะก็อาจจะกสงสัยขึ้นมานะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่อยู่ในสังคมในเมืองในโลกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราไปให้ความสนใจกับเรื่องข้างนอกเพราะนั้นจริงๆเนี่ยความฟุ้งซ่านความคิดต่างๆเนี่ยมันก็มีมันก็แสดงมันก็ปรากฏอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กลับมาดูเพราะเราไปดูข้างนอก มากกว่าดูข้างในแต่อพอเรามาอยู่วัดป่าสุกโตรหรือไม่ใช่วัดป่าสุกโตก็ดีนะอีกเงียบสงบนะที่วิเวกเนี่ยนะเราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้และการเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของดีนะมันไม่ใช่ของไม่ดีของดียังไงของดีเราจะได้เห็นว่าโอ้จิตใจของเราเนี่จริงๆริะนะนะมันก็มีความทุกข์นะอันนี้เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้น นะแล้วเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขนะการที่เราได้เห็นความฟุ้งซ่านก็ดีเห็นความเบื่อก็ดีความง่วงเหงาเข้านอนก็ดีนะอันเนี้เราจะได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขเราจะได้เรียนรู้นะเรื่องของใจนะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะเมื่อเราไม่รู้ความทุกข์ของคนเราส่วนใหญนะ่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ความจริง ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนเมื่อเราทุกข์เนี่ยเราก็จะมองไปข้างนอกนะเราจะไปโทษคนนู้นบ้างโทษคนนี้บ้างโทษสิ่งแวดล้อมบ้างนะโทษการเมืองสังคมเศ ร, รษฐกิจอะไรต่างๆนะซึ่งอันนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นการที่เราไม่รู้นะต้นตอของปัญหานะคือความทุกข์ที่แท้จริงนะมันเกิดขึ้นภายในตัวเรานี่แหละนะเกิดขึ้นภายในใจของเรานี่แหละ เมื่อเรามาอยู่ในที่สงบสงัดนะอย่างตัวอย่างที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะหรือที่ใดก็ตามเนี่ยนะความจริงอันนี้มันจะปรากฏให้เราเห็นการปรากฏให้เราเห็นเนี่ยเราจะได้เห็นความจริงนะเห็นความทุกขนะ์เราไปยึดไปถือมันก็จะหนักนะเมื่อเราถือมากๆนะมันก็หนักนะสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยต้องวางนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่จะปล่อยวางความทุกข์ได้ หรือการจะวางใจได้เนี่ยมันจะต้องเจอกับความทุกข์ก่อนนะเพราะนั้นอริยสัจข้อที่1เนี่ยก็คือทุกทุกกะอริยสัจพระนั้นการเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจ ะ, ะปฏิเสธนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะจากการปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆมีการเจริญสติอย่างต่อนเนื่องนะทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเนี่ย นะเราก็จะเห็นนะความทุกเหล่านี้นะที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีมันจะไม่ได้ทุกตลอดเวลาหรอกเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปความง่วงเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปความเดือความเบื่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันมะันก็เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอันนี้เป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนเวลาเหมือนชีวิตเหมือนสายน้ำ ที่มันไหลเรื่อยเอื่อยไปไหลไปเรื่อยนะแต่ที่มันที่เราไม่เห็นว่ามันไหลเรื่อยเนี่ยเพราะบางทีเราไปใช้ความคิดเราไปจดจำนะไปย้าคิดย้ํำทำมันก็เลยเหมือนกับไม่ผ่านแต่จริงๆความจริงมันผ่านไปแล้วนะสิ่งที่ไม่ผ่านมันเป็นมันเป็นความคิดคำนึงของเราเป็นความจดจาเป็นความยึดถือของเรานั่นเองนะตรงนี้มันก็เลยทาให เหมือนกับว่ามันไม่ผ่านไปมันยังตกค้างอยู่ในจิตใจของเรานะตรงนี้ เ, นเป็นสิ่งหนึ่งที่ เ, เราจะเห็นนะเมื่อเราได้เจริญสตินะหรือการทำภ า, าวนานะที่เราได้ทำกันเพราะฉะนั้นตรงนีนนะ้การที่เรามาเจริญสตินะโดยเฉพาะย่างยิ่งนะการที่เราอาศัยกายนะซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่าย กนะารไม่เห็นได้ง่ายในะที่นี้ก็คือรู้สึกตัวได้ง่ายนะถ้าเราไปอาศัยสิ่งอื่นๆนะอย่างเช่นลมหายใจก็ดีเนะี่ยมันค่อนข้างเบานะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะบางทีก็ไม่ทันนะการใช้ลมหายใจเนะี่ยบางทีทําไปทําไปนะมันก็หลงหนะลงไปในความสงบนะก็คือนิ่งสงบแบบนิ่งนะแล้วก็รู้สึกสบาย นะตรงนั้นก็ไม่ใช่เป็นข้อผิดพลาดนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องผ่านแต่สิ่งสาคัญก็คือเราอย่าไปจมอยู่ในความสงบนะโดยเฉพาะยังยิ่งความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำทำการลมหายใจนะซึ่งความสงบแบบนั้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราไม่ได้เผชิญกับความจริงความจริงของอารมณ์ความจริงของความคิด นะความจริงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะเพราะว่าเราเหมือนกับเราไปพยายามกดข่มมันเอาไว้เราคิดว่าเป้าหมายของการเจริญสติก็ดีการทำภาวนาก็ดีก็คือทำให้มันสงบและไม่คิดอะไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เจ้าชายสิท ธ, ธะเนี่ยได้เคยมีประสบาการณ์มาแล้วนะจากอาลาลดาบทุตกาดาบทซึ่งเป็นอาจารย์2ท่าน นะก็คือสงบนิ่งแบบไม่รับรู้อะไรนะแต่เมื่อเราเปิดตาขึ้นมาเมื่อเราไปใช้ชีวิตนะเรายังต้องกระทบสิ่งต่างๆนะเราก็ยังดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนะจิตใจเราก็ไม่สงบอีกแต่เมื่อเรามาเจริญสตนะิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวนะด้วยกายเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะมันจะรู้สึกตัวได้ชัด นะเมื่อรู้สึกตัวที่กายชัดเนี่ยนะมันก็จะไปรู้สึกใจได้ชัดนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยการที่เราได้ประเชิญทั้งอารมณ์สุขอารมณ์ทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก็ดนะีหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนเหมือนคู่ซ้อมนะถ้าเป็นนับมวยเนี่ย เหมือนก็สอบทายให้เรามาลองเตะนะลองต่อยนะลองซ้อมในการที่จะเผชิญกับอารมณ์เผชิญกับความคิดต่างๆนะบางทีเราก็หลงเข้าไปบ้างในอารมณ์บางทีเราก็รู้นะตรงนี้เนี่ยมันก็ยังทำให้เราฉลาดขึ้นนะฉลาดในการที่จะเรียนรู้อารมณ์เหล่านี้ฉลาดในการที่จะเรียนรู้เท่าทันความคิดปรงแต่งต่างๆนะซึ่งมันก็มีหลากหลายรูปแบบ นะแต่ถ้าเราไปกดคมนะเพื่อให้มันสงบนะพยายามหลบหลีกนะหรือพยายามกลบเกลือนนะตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่เกิดปัญญานะได้เพียงแต่ความสงบชั่วครั้งชั่วคราวขณะเท่านั้นเองพระนั้นการเจริญสตินะหรือการทำวิปัสสนานี่คกอกา ร, รเผชิญกับความจริงไม่หลบหลีกนะพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอารมณ์นะทุกความคิดที่ผ่านเข้ามา แต่หมายถึงว่าเรารู้เท่าทันนะเรามีเครื่องมือคือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้เราเข้าไปเรียนรู้ความจริงตรงนี้นะเราจะเรียนรู้ได้หลายอย่างนะเมื่อวานได้คุยกับกลุ่มศึกษาที่มานะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ตัวกระผมนิตมาเองนะก็สนุกนะสนุกกับการดูนะเราเป็นชาววัดเนี่ยเราไม่มีโทรทัศน์นะเราไม่มี สิ่งบันเทิงเลิงรุม อ, อะไรต่างๆเหมือนอยังอยู่ในในเมืองนะแต่เราก็มีความบันเทิงนะบันเทิงในการที่ดูความจริงของกายของใจนะที่เขาแสดงออกมานะซึ่งก็เป็นเป็นเหมือนมโหสพนะทางวิญญาณนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทำให้ชีวิตนะของชาววัดเนี่ยสามารถจะอยู่ได้นะโดยไม่ต้องอาศัยเอ่เอ หนังละครนะเหมือนอย่างที่เราเคยมีชีวิตอยู่นะในในเมืองนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สนุกนะเป็นความสนุกที่จะดูนะแล้วก็ทำให้เกิดปัญญานะพอที่จะเอาตัวรอดนะออกมาจากนะสิ่งที่เป็นความทุกข์ได้บ้างนะเล็กๆน้อยๆนะยังไม่ถึงกัที่สุดทีเดียวนะแต่ก็รู้แล้วละ่ะเห็นแล้วละ่ะมีเป้าหมายแล้วละ่นะว่าทางที่เราเดินนั้นคืออะไร เราจะอาศัยกายใจของเราที่มีอยู่เนี่ยนะไปไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆผ่านอารมณ์ผ่านความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะผ่านเข้ามาให้เราเรียนรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญสตินะอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆ นะตรงนี้จะทำให้เราเกิดปัญญานะเป็นปัญญาที่ไม่ใช่เป็นความคิดนะเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เรานะสามารถที่จ ะ, ะประคับประคองดูแลตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะได้ใช้โอกาส นะของการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะแล้วก็เวลาของเราเนี่ยมันมีไม่มากนะอย่างที่โดยทั่วไปเขาก็บอกคนเราจะมีอายุโดยประมาณ70็ดบกว่าปีนะโดยเฉพาะคนไทยนะถ้าคิดเป็นวันก็ประมาณ 30,000 กว่าวันนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะบางคนอาจจะอยุแ80แล้วนะก็ถือว่าเลยจากค่าเฉลี่ยแล้วนะหรือบางคนอาจจะอยุห50 อายุ60อายุ30มนสะพูดง่ายๆก็คือเรามีเวลาน้อยลงเพราะนั้นเวลาที่น้อยลงเนี่ยนะเราก็มานัา่มาดูว่าสิ่งที่เราควรจะทำจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกคืออะไรนะแล้วก็ทำสิ่งนีนะ้ซึ่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าเราได้ทำสิ่งต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการทาการทำงาน นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมครอบครัวนะนี้เราก็ทำกันมามากแล้วนะแต่สิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้ทำหรืออาจจะทำยังไม่เต็มทีนะ่ก็คือการทำเรื่องจิตเรื่องใจของเรานี่เองนะเพราะนั้นการมาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะเรื่องนี้น่าจะเป็นลำดับสำคัญอันดับแรกนะที่เราจะต้องใช้เวลานะให้มันเต็มที่กับเรื่องนี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะทำแต่อย่างนี้อย่างเดียวนะงานของชุมชนงานขงสังคมนะก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมในชุมชนอนะันี้ก็เป็นสิ่งที่ เ, เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นนะเรียกว่าให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านะไปพร้อมๆกันนะแต่บางทีนะถ้าเราไปทําแต่ประโยชน์ท่านและไม่ทําประโยชน์ตนนะนี้ก็น่าเสียดายนะบางทีตรงนี้ นะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะเรามีเวลาน้อยนะเวลานี้น้อยนิดนะชีวิตนี่แสนสั้นนะถ้าเราปล่อยเวลาให้มันผ่านไปปล่อยชีวิตผ่านไปนะไม่ได้มาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนะที่จะปลดปล่อยให้ใจนั้นเป็นอิสระนะพ้นจากเครื่องร้อยรัดเครื่องบีบรัดนะก็คือความทุกข์ นะที่เกิดจากความหลงความไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนะตรงเนี้ก็จะทําทให้เสียดายแลนะบางทีพอถึงเวลาที่เราจะต้องตายจากไปแล้วเราก็าจะรู้สึกโอดเสียดายจังเลยนะเวลาที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทําเรื่องนี้เลยนะแล้วบางคนอาจจะกลัวเอ๊ะชาติหน้านี่จะไปไหนจะไปอย่างไงจะเกิดหรือไม่เกิดนะอันนี้ก็อาจจะกังวลอีกนะก็เกิดความกลัวขึ้นมา นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ทำเต็มที่เราได้ศึกษาเต็มที่ได้ปฏิบัติเต็มที่นะแล้วเกิดผลขึ้นมาผลของการปฏิบัตินะก็บอกไว้ชัดนะก็คือเราสามารถที่จะออกจากทุกข์ได้นะตรงนั้นนะเราจะมีความภาคภูมิใจนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนานะได้มาอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์กรารัณมิตร นะแล้วก็อาศัยสภาพแวดล้อมนะที่สงบสงัดนะเพื่อการนี้เราไม่ได้อาศัยความสงบสงัดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะเราก็เคยใช้ชีวิตกันมาอย่างเต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะชักชวนเชิญชวนพวกเรานะอาศัยสิ่งแวดล้อมบรรยากาศกาลยาณมิตรเนี่ยนะมา เ, เร่ง ในการที่จะมีความเพียรนะเพียรที่จะดูกายดูใจของเรานะให้เห็นความจริงนะซึ่งความจริงนี้มันแสดงตัวให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลานะเพียงแต่เราจะดูหรือไม่ดูเท่านั้นเองเพียงแต่เราจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจเท่านั้นเองถ้าเราใส่ใจนะก็จะทําให้เราได้รับประโยชนนะ์เป็นประโยชน์สูงสุดนะของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะก็คือการทำ ความจริงให้ปรากฏนะหรืออย่างตอนที่ภิกษุที่บวชใหม่นะส่วนใหญ่เราก็จะท่องเป็นภาษาบาลีว่าการบวชนี้เราบวชเพื่อทำพันิพานให้แจ้งนะนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดนะซึ่งหลวงพ่อคำเขียนนะก็ได้ให้โอวาทนะเมื่อวันลงปาฏิโมกนะดยกับผมนิธมา ย, ยังจำคำนี้ได้นะว่าเป็นสิ่งที่เป็นงานเป็นภาระ นะเป็นหน้าทีนะ่ของพวกเราทุกคนนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะที่จะต้องพยายามทำจุดนี้ให้ได้นะจะได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเรานะแล้วก็การให้เวลากับเรื่องพวกนี้พนะนันการมาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราไม่ต้องไปสงสัยเลยนะว่าทำแล้วมันจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรลุยไปเลยนะ ปฏิบัติไปเลยนะการเจริญสติทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบนะใช้เวลาให้เต็มที่กับเรื่องพวกนี้นะพิสูจน์ความจริงนะที่พุทธองค์ได้ค้นพบนะครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆท่านได้เอามาเผยแพรนะ่ด้วยภาษาร่วมสมัยด้วยภาษาที่เราฟังได้นะแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้พูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบาการณ์ของท่าน นะไม่ใช่ประสบาการณ์ของเราความรู้ของท่านก็เป็นความรู้ของท่านประสบาการณ์ของท่านก็เป็นของท่านแต่ถ้าเราปฏิบัติมันจะเป็นความรู้เป็นประสบาการณ์ของเราจริงๆนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพิสูจนะ์น่าทดลองน่าเรียนรู้นะถ้าเราปล่อยเวลาปล่อยชีวิตไปโดยไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเดี๋ยวเราจะมาเสียดายทีหลังว่าโอ้ 3นะมเดือนที่ผ่านมานะเราไปเข้าบัรษาที่วัดป่าสุกโตนะเราไม่ได้ทำเรื่องนี้เลยนะเราโมไปทำเรื่องอื่นส์หมดนะก็น่าเสียดายนะตรงนี้ก็อยากจะ <c oughs> ถือว่าเป็นโอกาสทองนะของชีวิตนะที่เราได้มาใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็ได้อาศัยสิ่งแวดล้อมในการที่จะเรียนรู้นะเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> การเจริญสติเนี่ย นะ่ะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นอาชีพก็ได้นะเป็นอาชีพที่เราจะต้องทําต่อไปเรื่อยๆตราบใดถ้ายังไม่ถึงที่สุดทุกเนี่ยก็อย่าได้ประมาทนะตรงเนี้ยตัวกระผมนิพพานเองก็มีความตั้งใจอย่างนั้นนะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกนี้กระชาติหน้าอันไหนจะมาถึงก่อนกันนะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะทุกเวลานาทีเนี่ยก็ให้เป็นเวลาแห่งการเจริญสติ นะให้เป็นเวลาแห่งการที่เราจะมากลับมารู้สึกตัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆนะครั้งหนึ่งเคยถามหลวงพ่อคําเขียนนะว่าหลวงพ่อการเจริญสติเนี่ยทำแค่นี้เองเหรอนะรู้สึกรู้สึกแค่นี้เองเหรอท่านก็ บ, บอกก็รู้สึกนี่แหละนะแต่ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเรารู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นความคิด ที่ละเอียดที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆทาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดผลนะเพียงแต่ว่าเราทาหรือเปล่าเราเพียรหรือเปล่าเราทําต่อเนื่องหรือเปล่ า, ร า, ห, ห, รลานะหรือเราทาทาหยุดหยุดนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เราไม่ได้เห็นความจริงนะไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้จริงๆความทุกข์เนี่ยเมื่อเราทําไปเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆอ เมื่อเรามีความรู้สึกตัวเราก็จะปล่อยวางออกจากความคิดอยู่ได้เรื่อยเรื่อยเราจะสังเกตได้นะคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหจัง่วงง่วงหนักมากๆเลยแต่พอวันที่สามวันที่สี่เนี่ยจะรู้สึกเบานะบางคนบอกความง่วงมันหายไปไหนหรือทําไมมันน้อยจังจริงๆความง่วงมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละนะเพียงแต่ว่าความรู้สึกตัวมันชัดกว่านะความรู้สึกตัวมัน มันแสดงตัวชัดเจนกว่านะบันความง่วงก็จะข้ามาครอบงำไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นพัฒนาการนะที่เกิดขึ้นนะที่เราสามารถเห็นได้เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปกะเกณฑ์รือไปคาดหวังว่าโอ้มันจะต้องหมดไปเลยนะมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยความทุกข์มันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะออกไปเรื่อยๆนะเราก็จะรู้จักการปล่อยการวางไปเรื่อยๆ จากความทุกข์เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นความทุกข์ที่เราสามารถออกไปได้เรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการเจริญสตินั่นเองเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้นทุกวั น, นคำนี้ที่เป็นคำที่จำมาจากอาจารย์คำพนท่านบอกสติทำให้ชีวิตดีขึ้นทุกวันเพราะนั้นผู้ที่เจริญสติ อยู่บ่อยๆ อ, อ, อยู่เรื่อยๆเ้วก็จะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นทุกวันนาดีในแง่ที่ว่าชีวิตเราเบาขึ้นสบายขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นนะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีมาไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปไม่เครียดเกินไปไม่สบายเกินไปนะใช้ชีวิตพอดีพดีนะซึ่งมันก็ไปตรงกับคำว่าปกตินั่นเองนะ กลายเป็นปกติใจเป็นปกตินะซึ่งเป็นพื้นฐานนะของชีวิตที่ทำให้เราสามารถจะดารงชีวิตอยู่ได้นะด้วยความเป็นปกติสุขนะหรือบางทีเรียกว่าสันติสุขสันติสุขเนี่ยเป็นสุขที่ เ, เกิดขึ้นนะจากการที่เรารู้เท่าทันความจริงนะแล้วเราก็ปล่อยวางนะในสิ่งที่เรายึดเราถือนะ ก็เป็นความปกติเป็นความสุขที่ <c oughs> มีอยู่แล้วนะอยู่ในพวกเราทุกคนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกคนถ้าเราทําถูกต้องนะซึ่งความรู้สึกตัวหรือสติปัญญายทุกคนก็มีนะอาตมาก็สังเกตว่าระยะหลังนี้นะพอฝนตกเนี่ยก็จะมีพวกมาเก็บเห็ดเยอะแยะเลยนะก็มาดูแล้วก็มาเปรียบเทียบ ว, ว่าเออเนาะ พื้นดินเนี่ยมันคงจะมีเชื้อเห็ดอยู่เพราะฝนมันตกเห็ดมันก็นขึ้นนะในตัวของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยมันก็มีธาตุแห่งการรู้อยู่เพียงแต่เราจะปลุกนะเราจะทําให้มันตื่นขึ้นมาหรือไมนะ่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสตนะิไม่ได้มาดูตรงนี้ธนะาตุรูนะ้หรือธาตุพุทธเนี่ย นะมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบมันก็จะไม่เป็นประโยชน์พรนะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาทำเราก็จะสามารถที่จะปลุกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นะถ้าจะเปรียบเทียบกบเหมือนเห็ดที่มันงอกขึ้นมานะมีฝนพอเอหมาะพอดีนะมาก็ขึ้นมาถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามทำอย่างต่อนเนื่องนะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความรู้สึกตัวนั้นตื่นขึ้นอั <c oughs> นะนี้ก็เป็นสิ่งที่ นําเสนอนะแล้วก็ฝากเอาไว้นะก็โดยสรุปก็คงจ ะ, ะสนับสนุนชักชวนนะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเจริญสตินะอย่างต่อเนื่องนะมีความเพียรพยายามและถือเป็นงานหรือเป็นกิจนะอันดับแรกนะของชีวิตของเรานะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งงานอื่นๆ น, นะที่เป็นงานส่วนรวมด้วยนะนั่นะก็เป็นสิ่งที่เรา พึงกระทำนะก็คิดว่าสิ่งที่ได้พูดไปนะก็เป็นการนำเสนอนะได้พิจารณานำไปปฏิปฏปฏบัตินะเพื่อให้เกิดผลขึ้นมานะจะทำให้เราไม่เสียดายนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนาและได้ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเต็มที่ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของภาษีรัตนตรัย นะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในทุกคนนะพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะที่มีอยู่แล้วนะที่เราจะใสยสติสัมปชัญญะเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นนะแล้วก็พระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะที่เราที่เราทำกันอยู่นะด้วยความเพียรพยายามด้วยความตั้งใจ นะจงเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่านนะ่ได้ออกจากทุกขนะ์ซึ่งเป็นยอดพัฒนาของพวกเราทุกคนโดยทั่วนากันทุกท่านเทิดเจริญพร